ข อ, อนอบน้อมต่อคุณพระตนไตรข่าวการบรมรกรมพระอาจารย์งสงศิ์เพื่อสตรมิทุกท่านเจริญธรรมมาชีและยายทาทุกท่านนั่งสบายๆนะไม่ต้องพนมมือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะที่พวกเรามากันหลายหลายคนก็สงสยัยเราจะมาทำอะไรกันมาทาอะไรกันนะ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรกันก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันสิ่งเรามาเนี่ยเขาเรียกว่าเรามาปฏิบัติธรรมคราวนี้ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าเรามีความทุกข์อยู่ทุกๆคนนะถ้าเราไม่มีความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาก็ได้เหมือนกบพระละหันเนี่ยพระลหันแ้ก็ไม่มีความทุกข์แล้วท่านก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมใดๆแล้ว แต่เมื่อเรายังมีความทุกข์อยู่เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมนะก็คือจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยก็มีสองอย่างก็คือความทุกข์ทางกายนะความทุกข์ทางกายเนี่ยเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราหนีไม่พ้นหรอกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ประจําสังขารนะแล้วก็ความทุกข์ที่จอมานะก็คืออย่างเช่นเรานั่งนะ บางคนก็เริ่มปวดปวดเมื่อยแล้วนะอ่าอันนี้เป็นความทุกข์ทางกายนะที่มันจอนมาใช่ไหมบางคนอาจจะเริ่มร้อนอ่าอ่าเป็นความทุกข์ทางกายที่จอนมาเหมือนกันบางคนอาจจะเริ่มหิววันนี้เราสินแตดนะเริ่มหิวกันแล้วเนี่ยมันก็จอนเข้ามานะเดี๋ยวเราบอกว่าเออมันก็แก้ได้น่ะหิวก็ไปกินนะเดี๋ยวมันก็หิวใหม่ใช่ไมอ่เราเมื่อยอ่าเดี๋ยวเราลุกขึ้นมายืนก็หาย เดี๋ยวก็ต้องเมื่อยก็ต้องกลับมานั่งใหม่ใช่ไหมหรือเราบอกว่าเราง่วงเออไปนอนนะพอหายง่วงเสร็จเดี๋ยวก็ต้องง่วงต่อใช่ไหมเพราะนั้นความทุกข์ทางกายที่จรอมันอะไรเขาเรียกบรรเทานะมันไม่อาจที่จะแก้ได้จริงๆนะเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือความทุกข์ทางกายเนี่ยมันจะแก้จริงๆไม่ได้นะมันแค่บรรเทาเท่านั้นเองนะส่วนความทุกข์อีกตัวนึ่งก็คือความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจคืออะไร ความทุกข์ทางใจจริงๆแล้วก็คืออารมณ์ต่างๆเรานั้นเองความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาความหึงหวงความกุ้มใจความน้อยใจความเหงาความเครียดอารมณ์พวกนี้คือความทุกข์ทางนั้นนะแล้วก็คือกิเลสด้วยเราจึงต้องมารู้จักความทุกข์ทางใจให้ดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าความทุกข์ทางใจเนี่ยแก้ได้นะ ส่วนความทุกข์ทางกายเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกนะคาราวนี้ความทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะแก้ได้อย่างไรนะนี่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดนะจะแก้ได้อย่างไรนะก็เกิดจากว่าเออเรารู้ไม่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะบางทีก็มีหลายๆประเด็นนะความทุกข์เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนะหรือไม่ก็วิชาตันหาประทานนะเยอะแ ย, ยะเลยนะพระพรเจ้าก็ทรงตัดไว้การประสบกับสิ่งที่ ไม่รักเนะ่ยเป็นทุกข์พัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อีกนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อีกนะจริงๆแล้วเยอะแยะเลยแล้วเราจะสรุปอย่างไรว่าความทุกข์ทางใจเนี่ย เ, เยกเิดจากอะไรนะก็จะบอกให้เลยว่าจะได้สั้นๆลงก็ง <c oughs> คือความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากความคิดของเราเองนะความคิดเราเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าความคิดของเราในจริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันมีมากมากมายนะมากมายเลยนะ เขาเรียกว่ามีคนที่เคยทำการาวิอเคราะห์ไว้ว่าคนเราคิดประมาณถึง 50,000 ่นครั้งนะ0 0 0ครั้งนี่เยอะมากแต่พวกเราจะรู้ทันสักมื่นครั้งไหมนะไม่ได้น่นอนนะพันครั้งรู้ไหมไม่ได้นะรอยครั้งก็ยังไม่ได้นะครั้งก็ยังไม่รู้ว่าจะรู้หรือเปล่าใช่ไหแสดงว่าความความคิดของเราเนี่ยมีเยอะจริงนะแต่เราเนี่ยรู้เท่าทันน้อยมากนะ ความคิดที่เรารู้ไม่เท่าทันเนี่ยเขาเรียกว่าเราหลงไปนะเพราะฉะนั้นความคิดในจึงมีอยู่2อย่างก็คือประการแรกก็คือความที่เราตั้งใจคิดเช่นเราจะวางแผนงานอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะไปเที่ยวไหนนะอันนี้เป็นความตั้งใจคิดอันนี้เราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาส่วนอีกสิ่งนึงก็คือเราไม่ตั้งใจคิดแต่ว่าเขาคิดของเขาเองนะคิดทั้งวันนะคิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อนะคิดไปเรื่อยๆทั้งวันที่วันละห้0 0 0ื่นครั้งอะไรเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้นั่นเองนะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความที่เราหลงไปนะก็คือหลงเข้าไปในความคิดโดยที่เรารู้ไม่เท่าทันนะอาการที่มันหลงเขาเ้าไปในความคิดนี่แหละตัวนี้เป็นสิ่งที่นําทุกข์มาให้เราและก็นํากิเลสตัณหามาให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่นําความทุกข์ให้เราก็มาจากความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดนี่แหละแล้วมันก็ไปปรุงแต่งต่อน ะ, อะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อสัก5ปีก่อนนะมีคนรมดาเรานะเราเราก็ลืมไปแล้วนะ เราพอเราเระลึกขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งเออมีคนเข้ามาดา่าเราเมื่อ5ปีก่อนเราก็จะโกรธขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งนะนั่นคือความทุกข์แล้วนะหรือเราพัดภาคจากสิ่งที่เรารักไปมีญาติพี่น้องที่เรารักเนี่ยเขาจากเราไปนะหลายปีแล้วล่ะพอเราระลึกถึงเราก็จะมีความทุกข์รุนแรงไปนะหรืออนาคตยังมาไม่ถึงนะเช่นปีอีกปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องชาระหนี้สักอย่างหนึ่ง แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ต้องถึงชําระขนาดนั้นแต่เมื่อเราคิดปุ๊บเราก็เกิดความกังวลวิตกทันทีเลยนะนี้ก็คือความคิดเนะี่ยมันนาความทุกข์ให้เราจากอดีตและอนาคตนะอย่าว่าจากอดีตอนาคตเลยแม้แต่ปัจจุบันก็เหมือนกันนะปัจจุบันเช่นนะเราอยู่เนี่ยเรามีคนมาเขามด่าเรานะถ้าเราไม่คิดอะไรเราแค่รู้เฉยๆว่าเขาดา่าเราก็ไม่โกรธ แต่พอเราคิดปั๊บเออด่าได้ยังไงนาะเรื่องแค่นี้ทําไมต้องมาด่าเรานะหรือว่าเราไม่ได้ทําผิดสัหน่อยด่าได้ยงไงหรือไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครนะพอคิดปั๊บมันก็จะโกรธทันทีเลยนะนะหรือไม่เช่นเราขับรถยนต์นะขับไปเนะี่ยมีรถอีกคันเนี่ยมาขับปาดหน้าเรานะพอเรารู้เฉยๆเนี่ยเราก็ไม่โกรธไม่ทุกนะแต่เราคิดเอออย่างนี้เขาก็ดูหมิน่นดูถูกเราในนอพอคิดปุ๊บก็โกรธได้ทันทีนะ อันนี้ก็คือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความคิดไปปรุงแต่งต่อเป็นอารมณ์ต่างๆนะตาเห็นรูปเนี่ยถ้าเราเห็ น, นเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรแต่ไปเห็นปุ๊บเนี่ยมีความยินดียินรลน์ขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปในความยินดียินร้า์เหล่านั้นก็เป็นกินเลสตัณหาขึ้นมาอีกนะเป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาอีกหูได้ยินเสียงก็กเหมือนกันนะคนมาชมเรามานินทาเรานะ ถ้าเรารู้เฉยๆก็ไม่เป็นไรนะแต่เมื่อเรามีความคิดขึ้นมาปุ๊บโชมเราเราดีใจเนี่ยก็เข้าไปอารมณ์ที่ยินดีพอใจก็เป็นราคะอีกใช่เข้ามานินทาเราเราก็ไม่พอใจก็เข้าสู่อารมณ์ของโทสะอีกนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยที่เกิดความทุกข์หรืออารมณ์ต่างๆนก็เกิดจากการที่เราู้ไม่เท่าทันความคิดนั่นเองนะเพราะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้เท่าทันความคิดให้ได้ก่อนนะ จึงจเจอาจากความทุกข์ได้ที่แท้จริงนะสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจในตรงนี้จับประเด็นให้ตรงเลยว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากความคิดนั่นเองนะวิธีการจะออกจากความทุกข์ก็คือเราต้องรู้เท่าทันความคิดให้ได้นะเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดแล้วเนี่ยความทิดก็สามารถที่จะดับไปเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตคนเราเนี่ยอ่ามันจะเกิดดับที่เราดวงนะมันไม่ได้เกิดทีเดียว เป็นดวงเดียวตลอดไปนะแต่ว่าจิตมันจะเกิดเกิดดับดับที่ละดวงแต่ละขณะแต่ละดวงเพราะฉะนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอกุศลนะแต่พอเราเริ่มระลึกได้แล้วว่าขใครกำลังโกรธเนี่ยตัวนี้เน่ยเป็นสติตัวนี้จึงเป็นกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความโกรธก็ดับไปเพราะว่าเป็นขณะกายละจิตดูแต่ละดวงเท่านั้นนะจิตอกุศลเป็นความโกรธเนี่ยพอเราระลึกได้ปั๊บเนี่ยเป็นสติปั๊บเนี่ยจิตที่เป็นสติเป็นกุศลปั๊บเนี่ย พราะจิตที่ไปเอาสนก็คือความโกรธก็เลยดับเป็นทีนะเพราะฉะนั้นความโกรธก็จึงหายไปนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะเราต้องมาจับตรงนี้ให้ได้สิ่งที่เราต้องนั่งก็คือว่าเราจะต้องระลึกได้บ่อยๆนั่นเองนะระลึกได้ว่าขณะนี้เรากําลังมีลมอะไรอยู่ขณะนี้เรากาลังโกรธกาลังรักกำลังชังกําลังเกลียดกาลังไม่พอใจกําลังชอบใจกําลังยินดียินร้ายกำลังอิจฉาอะไรเนี่ยเราต้องรู้ให้เท่าทันพอเรารู้เท่าทันปั๊บเนี่ย อารมณ์ที่มันไม่ดีนะที่แปลกุศลทั้งหลายมันก็ดับไปทันทีเลยเพราะว่าการที่เราระลึกได้นี่คือสติคือกุศลละจิตนั่นเองนะจุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญนะเพราะฉะนั้นใครที่ระลึกได้เนี่ยเป็นกุศลแล้วเพราะนั้นจึงไม่ต้องไปทําบุญที่ไหนน ะ, อะบอกได้เลยว่าถ้าผู้ใดสามารถระลึกได้เนี่ยไม่ต้องไปทําบุญที่ไหนนะไม่ต้องไปทอดกระถินทอดปลาไม่ต้องไปถวายสารทาน ไม่ต้องไปใส่บาตรอะไรก็ได้เนี่ยเพราะนั้นเป็นบุญธรรมดานะแต่บุญที่เกิดจากการระลึกได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมหากุศลนะเป็นมหากุศลเพราะว่าตัวเนี่ยเป็นกุศลจิตที่สูงมากพอเราสมมติเราเกิดความโกรธนะเกิดความโกรธปุ๊บเนี่ยพอเราระลึกได้ปั๊บเนี่ยนอกจากความโกรธจะดับไปแล้วเนี่ยเราจะได้บุญในตรงนี้ด้วยนะอันเนี่ยเราจึงได้บุญมากๆขึ้นนะทําไมจึงว่าเป็นมหากุศลเพราะอะไรนะ เพราะว่าตัวเนี่ยมันเป็นบุญที่สูงกว่าการให้ทานนะเพราะการให้ทานเนี่ยมันเป็นบุญที่ไม่ได้นําไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ว่าการที่เราสามรารถ ล, ละลึกได้เนี่ยว่าเออขณะนี้เรากําลังมีอารมณ์อะไรอยู่เช่นค ว, วามโกรธเป็นต้นเนี่ยพอเราลึกได้ในความโกรธมันก็หายไปนะมันเป็นผลทานที่ใกล้พนิพพานนั่นเองนะเพราะว่ า, ามันเป็นการละความโลภความโกรธความหลงไปในตัวนะเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจที่จะละกิเลสเนี่ยจริงๆนีไม่ได้นะ ยกตัวอย่างเช่นความโกรธเนี่ยเราจะตั้งใจที่จะละความโกรธเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะนี้เราไม่มีความโกรธอยู่นะไม่มีความโกรธแล้วเราจะไปละอะไรนะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรู้เท่าทันรู้เท่าทันเนี่ยความโกรธได้ใช่ไหมเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยแค่เรารู้เท่านั้นเองนะมันก็ดับไปแล้วเพราะนั้นวิธีนี้จึงเป็นการละความโกรธในตัวนะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นเจ้าของห้างสสินค้าแห่งหนึ่งนะ ก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาขโมยของในห้างเราเนี่ยอยู่เป็นประจำนะเราไม่รู้เป็นใครหรอกเราก็จะมีความทุกข์อยู่เสมอนะแต่พอวันหนึ่งเนีเราเริ่มจะรู้แล้วเออขโมยมันหน้าตาเป็นแบบนี้นอเพราะเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็คอยมองหน้ามองตาเขาเนี่ยเราจะถามว่าเออเขาจะอยู่ในร้านเราต่อไปได้ไหมเขาก็ไม่ได้นะก็ต้องหนีไปทันทีเลยนะ เ, นเพราะฉะนั้ น, น, นความโกรธเหมือนกันนะ เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักเขาดีเรานึกว่าเขาดีวิเศษเนี่ยเราก็ไปเออพอมีความโกรธปุ๊บเราก็ไปพอใจในความโกรธนั้นเพราะบางคนคิดว่าเาโกรธแล้วก็ดีเหมือนกันนะลูกน้องจะได้กลัวนะลูกจะได้กลัวภรรยาจะได้กลัวนะนึกว่าเป็นสิ่งดีก็ไปเลี้ยงความโกรธไว้ในใจนะแต่เมื่อเราเราเริ่มรู้แล้วเออความโกรธมันไม่ดีเนะเาะมันไม่ดีพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรารูทา้ทันเรารู้ทันปับ๊บมันก็ดับไปเลยนะอันนี้แสดงว่า มันก็เหมือนกับว่าแค่เรารู้ก็พอแล้วนะเราไม่ต้องไปตั้งใจที่จะละความโกรธหรอกแค่เรารู้ปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ในใจเราไม่ได้นานเพราะว่าเราเริ่มมาจากแล้วว่าความจริงก็คือความโกรธเป็นความทุกข์นั่นเองนะพอเรารู้เฉยๆบ่อยๆเนี่ยความโกรธก็จะดับไปแต่ถ้าเราอยากให้มันดับนะเราบอกว่าเออทำไมบางคนบอกว่าเรารู้ท่านความโกรธแล้วทำไมไม่ไม่ดับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความที่อยากให้มันดับนั้นนะมันก็เป็นโลภะนั่นเองนะโลภะเนี่ยมันจึงเป็นอกุศลนะเพราะนั้นเมื่อเราอยากให้มันดับนะ มันเป็นความโกรธพอยาคือมันดับมันก็เป็นโลภะเนยมันอุปสมมันก็เป็นตัวเดียวกันเป็นอุปสมกลุ่มเดียวกันเพราะนั้นความโกรธจึงไม่ดับนะเพราะฉะนั้นความโกรธจะดับก็เกิดจากแค่เรารู้เฉยเฉยก็พอแล้วนะครั้งนี้อพอเรารู้เนี่ยในแตล่ละอย่าดมันค่อยคอยละค่อยคอยละไปเองนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเรารู ös, ้บ่อยๆนะมันก็จะดับเองรู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยไปนะ จากสิ่งเราเนี่ยจะทําให้ในใจของเราเนี่ยเบาขึ้นนะคราวนี้เราจะต้องประจักษ์แจ้งางจริงว่าเออไ อ, อ, อ, อความที่มันไม่ดีทั้งหลายแหล่เช่นความโกรธไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีอย่างไรนะก็ต้องมารู้ถึงโทษทุกข์ของเขาเนี่ยว่าเขาไม่ดีอย่างไรจริงๆนะเออโกรธแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะนอกจากเราจะทุกข์แล้วเนี่ยเราโกรธคนอื่นมาเราเข้าบ้านปั๊บเนี่ยโอ้หน้าตาเราหงิกเนี่ยภรรยาเราสามีเราหรือลูกเราเห็นหน้าเราเขาก็ไม่อยากจะเข้ามาหาเรานะ หรือพอเราโกรธปั๊บเนี่ยกัวจากบ้านมาไปถึงที่ทำงานปั๊บเนี่ยโอ้หน้านิ่วคิ้วหมดใะลูกน้องเราก็เกิดความเครียดทันทีน ะ, ะแล้วความโกรธนี่มีอะไรตามเยอะแยะเลยทำให้เป็นโรคโรคกระเพาะก็มีนะความโกรธเนี่ยทำให้เราเป็นโรคความดันก็มีนะ สิ่งต่างๆเราเนี่ยเราจะพิจารณาเออความโกรธจริงๆมันไม่ดีจริงๆพอเราเริ่อเข้าใจเยอะๆแล้วเนี่ยพอมันโกรธปั๊บเนี่ยเราจะรู้เองว่ามันไม่ดีปั๊บเนี่ยมันจะคลายตัวทันทีนะแต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เออว่าความโกรธดีพอเรารู้แล้วนะมันไม่คลายตัวหรอกเพราะเรานึกมันดีพะเราเริ่มจะจำได้แล้วเออความโกรธนะเราก็เป็นมันก็เป็นความทุกข์ของเรานั่นเองนะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญเพราะนั่นนี้ที่พูดมาหมดนี้ก็เพื่อให้เราเข้าใจประเด็นว่าความทุกข์ทั้งหลายนี่มันเกิดจากความคิดเราเป็นใหญ่่่่นนะะะแล้ววิิธีีอยาาาางไรรรทททเเจูัคคมด เมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วนะความทุกข์จะน้อยลงนะเราจะทำอย่างไรนะเพราะนั้นวิธีการที่เราจะรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ก็คือความคิดเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะไหลเข้าไปในอดีตหรืออนาคตเป็นส่วนใหญ่นะนนความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนี่นแหละประมาณ1 0อเอเลยก็ว่าไดนะ้มันจะไหลเข้าไปในอดีตหรืออนาคตเป็นส่วนใหญ่นะเพราะนั้นวิธีการที่เราจะรู้เท่าทันความคิด ที่มันไม่ตั้งใจคิดนี่แหละก็คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเพราะเราอยู่กับปัจจุบันปั๊บเนี่ยเมื่อมันไหลเข้าไปนาฎหรือนาคจะรู้ทันทันทีนะเมื่อเรานั่งอาสนะหรือนั่งบอกเราเนี่ยคนอื่นจะมานั่งบอกเราเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉนั้นเมื่อเขามานั่งปุ๊บเราจะรู้ทันแล้วเราก็ผักก็ออกไปได้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยความคิดไหลเข้าไปนาฎหรือนาคเราจะรู้ทันทันทีอย่างรวดเร็วนะนี่เป็นประเด็นสําคัญมากนะ คราวนี้จะทําอย่างไรให้อยู่กับปัจจุบับนนะนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องเข้าใจว่าจะทําอย่างไรบางคนก็ไปตามหาโอ้ปัจจุบันอยู่ตรงไหนนะไปเดินหาก็มีปัจจุบันอยู่ไหนหาไม่ได้หรอกนะเพนะราะยิ่งหามยิ่ง<า>ไม่เจอนะจริ ง, รงๆแล้วก็คือใกล้เคียงกับปัจจุบันนั่นเองนะเออทำอย่างไรให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันการที่เราจะอยู่ใกล้เคียงกับปัจจุบันก็คือวิธีการที่ว่าเรามีการเคลื่อนไหวและใจรับรู้นั่นเองนะอาศัยฐานกายในง่ายที่สุดนะ ฐานกายเป็นฐานที่หยาบมากเป็นฐานที่หยาบเพราะฉนั้นเหมาะสําหรับคนที่จิตหยาบๆบอย่างพวกเรานะส่วนการที่บางคนอาจจะใช้วิธีการเลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรารู้ก็ใช้ได้นันก็เป็นฐานกายเหมือนกันแต่สําหรับเหมาะที่ะคนที่มีจิตละเอียดแล้วแต่ถ้าคนที่มีจิตที่หยาบอยู่นะควรจะมารู้ฐานกายนะเพราะฐานกายเป็นความเคลื่อนไหวะความเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะที่มันกว้างๆใหญ่ๆมีการกระทบมีการเคลื่อนมีการหยุดไงซึ่งมันเป็นความที่มันหยาบกว่านะ พอมีการเคลื่อนไหวนะแล้วเราสามารถรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันได้เองนะนเขาเรียกว่ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะหยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้เนี่ยแค่นี้เท่านั้นเองนะกายเคลื่อนไหวในใจรับรู้ใ น, ใรรนะ <c oughs> พอใจรับรู้แล้วเนี่ยจิตก็จะเป็นปัจจุบันได้เองนะพอจิตเป็นปัจจุบันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่เกิดจากการที่เราอยู่กับปัจจุบันนะ N: ท sind, sind ihn, ่านี้เน <OT> <m> ี like ่ยสิ <k> ่งที่ตามมัก็คือเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาอย่างก็คือความเป็นปกตินะความเป็นปกตินี่คืออะไรนะที่ตอนนี้เราก็เป็นปกติดีอยู่แล้วนะเป็นปกติเนี่ยคือสภาวะที่มันปกติอยู่แต่สิ่งที่ไม่ปกติคืออะไรนะสิ่งที่ไม่ปกติก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นเองนะความรักความชังความโลภความกดความหลงความอิจฉาความหึงหวงความกุ้มใจน้อยใจความเหงาความเครียดพวกนี้คือความไม่ปกติทั้งนั้นเลยนะ เนี่ยเป็นสิ่งที่เราประสบอยู่ไปจําแต่เราจํามันไม่ได้ไงเราจําเออมันไม่ปกติไม่ได้เราจึงเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นนะแต่เมื่อจิตเราน่ะฝึกจนมันเป็นปกติที่มันเคยชินที่จะปกติจนเราจําสภาวะที่มันปกติได้แล้วนะเมื่อมันเข้าไปในอารมณ์ที่มันไม่ปกติปั๊บเนี่ยมันจะรู้ทันทันทีนะรู้ทันได้ไวมากไงเพราะว่าจิตมาเริ่มจําสภาวะธรรมได้แล้วการที่มันจํำสภาวะธรรมได้ก็เพราะเราอยู่กับความเป็นปกติบ่อยๆนั่นเองปกติบ่อยๆนะ แล้วการที่เป็นปกติก็เกิดจากความที่เรารู้สึกตัวนั่นเองนะมันก็เลยจิตเป็นปกตินะไอ้ความที่มันรู้สึกตัวก็เกิดจากการที่อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะการที่มันอยู่กับปัจจุบันก็คือเกิดจากการที่เราเคลื่อนไหวแล้วใจรับรู้เนี่ยเคลื่อนไหวแล้วใจรับรู้นะเพราะฉนั้นก็คือสรุปแล้วเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนไหวใจรับรู้นะมันก็จะอยู่กับปัจจุบันแเมื่ออยู่กับปัจจุบันปุ๊บมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวเมื่อเกิดความรู้สึกตัวก็เป็นสภาวะที่ปกตินะ เพราะนั้นจึงแยกเป็น2องประเด็นอย่างนี้ว่าออการที่อยู่กับปัจจุบันนี่ก็คือเราจะเห็นความคิดที่ไหลไปอดีตและอนาคตได้นะส่วนสภาวะที่มันปกติก็คือเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันขึ้นขึ้นลงลที่มันไม่ปกติทั้งหลายแหล่เนี่ยเราจะเห็นพวกนี้ได้ไวนะนี่เราเป็นขนทานแห่งการออกจากความทุกข์นะออกจากความทุกข์นั่นก็คือเราสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เหล่าเนี่ยได้ไวพอเรารู้ได้ไ ว, ไไวมันก็ดับไปได้เร็วนะยิ่งเรารู้ได้ไวมันจะดับได้เร็วแต่ถ้าเรารูชา้ช้ามันก็ดับช้านั่นเองนะเพราะนั้นวิธีการที่เรามาฝ เป็นประเด็นที่เราจะรู้ราารอารมณ์รู้ความคิด ต, ต่างๆได้เร็วมากนะเพราะนั้นเมื่อรู้เร็วเนี่ยมันจะดับไปเลยนะมันดับไปปุ๊บเนี่ยความทุกข์เราก็ไม่มีนะความทุกข์เราก็ไม่มีต่อไปเพราะฉะนั้นอลวงพ่อเทียนจึงได้ทาพนันทาพิสูจน์บอกว่าผู้ใดปฏิบัติวิธีในนี้แล้วเนี่ยไม่เกิน3ปีนะยังมากไม่เกิน3ปีเนี่ยทุกจะหมดไปนะหรือจะน้อยลงมากที่สุดเลยนะอย่างชา้าไม่เกิน3ปีแล้วผู้ที่เร็วเนี่ยหวันถึง90วันนะ เร็วมากนะหวันถึง90วันเพราะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีทางรัฐที่เราเยียวยาความทุกข์ได้หลวงพ่อเทียนบอกว่าเอาหวใจเป็นประกันเอาสื่อสารเป็นประกันเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเออเป็นสิ่งที่เราก็น่าสนใจว่าทให้เป็นแบบนั้นได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ประจักษ์แจ้งในขนทางนี่มีอยู่เยอะนะเช่นหลวงพ่อคำเขียนเป็นต้นคนระพรุ่งนี้ก็คงจะเจอกับท่านเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่ามันก็เออท่านก็ไม่ไม่อะไรกอะไรแล้วนะก็คือมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนะี่ยใช่มไหม จิตท่านถ้าระดับนี้ท่านก็คงไม่ทุกแล้วละ่ะใช่ไหมแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายองค์ที่เหมือนกับประสบในสิ่งเหล่านี้ก็มีหลายองค์นะหรือว่ามันก็ไม่ไม่ทุกแล้วอนะอย่าว่าแต่เป็นปเป็นพระเลยนะั่นไม่เป็นฆราวาสนะก็หลายๆคนก็คิดว่าเราก็คงประสบในสิ่งเหล่านี้อยู่นะไม่มากก็น้อยนะต้องประสบเหล่านี้แน่แนแน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่กล้ายืนยันได้นะแล้วลงพ่อเทียนก็ยังพูดอีกว่า ด, ดูกายเห็นจิตนะดูกายเห็นจิตนะก็คือเมื่อเราเร า, เร า, เ, ราเรารู้ที่กายเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเราจะเห็นจิตของเรานะเห็นจิตก็คือความคิดและอารมณ์ต่างๆก็คือการที่เห็นจิตเนี่ย ส, สามารถรที่เห็นความคิดอารมณ์ต่างๆอันนี้เป็นวิธีการมเรามาเทียนนะดูกายเห็นจิตนะแล้วก็บอกอีกต่อไปว่าดูคิดเห็นธรรมนะดูคิดเห็นธรรมก็คือเมื่อเราเห็นความคิดแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายแล้วเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมด้วยนะ ทำเกิดจากอะไรทำก็เกิดจากการที่เราเห็นสภ า, าวะที่มันเกิดดับของอารมณ์ ต, ต่างๆและความคิดนั่นเองนะคำว่าธรำเนี่ยหมายถึงว่าเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองพระไตรลักษณ์คืออะไรพระไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังนาตาหรือว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวเม่ตนบงังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยก็คือเมื่อเราเห็นความคิดแล้วเราจะเห็นทำว่าความคิดเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับไปนะอารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงมันเกิดแล้วก็ดับไปทั้งหมดนะเพราะฉนั้นเมื่อหลวงปู่เทียนบอกว่าดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นทำเนี่ยเราจึงเห็นจากเริ่มที่กายก่อนนะแล้วมาันก็จะไปจบที่ธรรมมันก็ยังมาตรงกับสติปัฏฐาน4ี่นะสติปัฏฐาน4ี่เนี่มีอยู่สอย่างนั่นก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิ ต, ตานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน4อย่างนะก็มีสั้นๆว่ากายเวทนาจิตธรรมนะ ก็เริ่มที่ฐานกายก่อนนะฐานกายมีอะไรบ้างนะฐานกายในสติปัฏฐานสีก็มีอารมณ์หายใจเข้าลหายใจออกให้รู้นะคืออนาปนาสติหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้อ่าแล้วต่อมาก็คืออ่าอิรบทใหญ่อ่ายืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้นะอิรบทแบบพระนะแล้วก็มาสามชัญญาบัตพระอ่า มีการคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดก้มเงยก็ให้รู้นะอันนี้จะเน้นในเรื่องว่าออคู่แขนเหยียดแขนก็ให้รู้นะที่เรามาทำเนี่ยก็คือคู่แขนเหยียดแขนก็ให้รู้นะเราเราเดินโยกมก็คืออีรูดใหญ่ก็เดินยืนนั่งนอนก็ให้รู้นั่นเองมันไม่ได้ผิดจากพระไตรปิฎกเลยนะอันนี้แล้วต่อไปก็มีสร้างศพอีกเก้าเ้าข้อน ะ, อะเป็นเรื่องของกายเหมือนกัน เพราะนั่นมันเริ่มต้นที่ฐานกายว่าเราเริ่มต้นถูกไหมนะก็คือประการแรกเนี่ยเรามาการเคลื่อนไหวนะคู่แขนเหยียด แ, แขนก็รู้เนะี่ยแล้วก็ฝึกอนะ่ะรู้ยกก็รู้หยุดก็รู้นะเคลื่อนก็รู้อันนี้เป็นการอีบทย่อยซึ่งเราไม่ผิดจากพระตไตรปิกแต่อย่างใดพอเรารู้ในตรงนี้นะเราสามารถที่จะรู้นะตัวนี้มันจะเกิดความรู้สึกสตัวขึ้นมานะแล้วต่อไปนะมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาเวทนาคื อ, อทุกนะทุกเวทนาสุอา สุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทาาุกขมาสุขเวทนาก็คือมีความสุ ข, สขนะมีความทุกข์แล้วก็มีความเป็นกลางนั่นเองนะเพราะฉนั้นที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะรู้ว่าเขณะนี้เรามีความปวดเมื่อยไหมนะหรือว่าเราไม่เปิดมื่อยหรือว่าเรามีความปิติใจนะมีความยินดีมีความพอใจนะหรือใจเรามีความทุกข์อย่างไรนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเออคือทุกขเวทนาหรือว่าเวทนา อนุปัสนาสติปฐานนั่นเองนะอันนี้เราจะผ่านจากกายในก็มารู้เวทนาแล้วรู้สุขรู้ทุกในกายและใจของเราเนี่ยเป็นเวทนาทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาสู่ฐานจิตนะก็คือจิตตานุปัสนาสติปทานในจิตตานุปัสนาสติปทานว่าอย่างไรนะก็คือว่ามีความโลภก็ให้รู้ว่ามีความโลภนะมีความโกรธก็รู้ว่ามีความโกรธมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะ จิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้จิตไม่ตั้งมั่นนะก็คือเราสามารถที่จะรู้จิตนั่นเองนะสามารถที่จะรู้ว่าเออขณะนี้จิตตั้งมั่นก็คือมีความฟุ้งซ่านเนี่ยเรารู้ไหมนะจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ก็คือฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านรู้ทันไหมนะโทสะอ่ารู้ไหมว่าขณะนี้กําลังพอใจหรือไม่พอใจนะโลภะหรือราคะนี่เรารู้ไหมว่าขณะนี้กาลังมีโลภะขณะนี้กําลังมีราคะนะรู้ไหมนะ หรือเกิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็แ <f> ล้วแต่ดินดีพอใจรักช่างอิจฉาอะไรทั้งหลายแหลเรารู้ทันไหมนี่ก็คือเข้าสู่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเราเห็นสภาวะที่มันเกิดระดับของอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเห็นสภาวะที่มันเกิดดับของรูปของนามนะเห็นกายเนี่ยมันเกิดมันดับเห็นจิตน่ยสภาวะธรรมในจิตของเราเนี่ยเช่นความคิดอารมณ์ต่างๆมันเกิดแล้วมันดับ อันนี้ก็เข้าสู่ธรรมารูปปัฏนานสติปัฏฐานเลยนะเพราะฉะนั้นแค่เราเริ่มต้นฐานกายก็คือฐานกายก่อนนะรู้การเคลื่อนไหวแค่เนี้มันก็จะจบทั้งหมดเลยทั้งเวทนาจิตตาและธรรมารู ป, ปัสสนาสติปัฏฐานนะมันก็ตรงตามพระไตรปิฎกเปี้ยเลยนะเพราะนั้นวิธีการในจึงไม่ใชวิธีการแปลกแต่อย่างไรแต่อย่างใดนะ เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็คือฐานกายนะอันนั้นไม่ผิดแน่นอนนะส่วนการที่เราคู่แขนเหยียดแขนอันนี้ก็ไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นตามพระไตรปิฎกคู่แขนเหยียดแขนก็ให้รู้เนี่ยยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้เพราะฉะนั้นที่มาปฏิบัติทุกวันนี้ขอให้เราสามารถที่จะยกมือสืบสี่จังหวะได้โดยที่ไม่ตะกิดตะขวงใจใดอย่างใดนะเพราะเป็นสิ่งที่ว่าถูกต้องตามพระไตรปิฎกอยู่แล้วนะ อันนี้เขาเรียกว่าพระพิจารณาได้ว่าคนทางให้เอาไว้แล้วเนี่ยเพียนแต่ว่าพวกเราจะเดินตามไหมเราจะมีศรัทธาไหมนะคนทางในการพนทุกเนี่ยมาอยู่จริงนะครูบาอาจารย์ที่ท่านพนทุกได้เนี่ยมาอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีศรัทธาที่จะเดินตามทางไปไหมเนี่ยศรัทธานี้จะเป็นสิ่งสําคัญมากน ะ, นะก็คือใน3วันนี้นะ ประการแรกเนี่ยศรัทธาเราต้องเต็มก่อนนะเออครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนี้นะเราทําตามท่านดูนะเราอย่าไปเถียงในใจอย่าไปคัดค้านในใจถ้าคัดค้านในใจรับประการได้ไม่ประโยชน์กลับบ้านได้ทันทีนะอยู่10วันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่เราไม่คัดค้านในใจนะสาบวันก็ได้ผลแล้วท่านบอกให้ทําอะไรก็ทําไปเถิดนะไม่ผิดทางแน่นอนนะบอกให้ทําอะไรก็ทําแค่เราทำตามท่านท่านนั้นเองนะเราจะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นเข้าใจเลยว่าเออสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยเป็นความจริงนะเพราะถ้าไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะวัดป่าสุโตเนี่ย อาจะคนน้อยกว่านี้เยอะเหลือจะล้างไปแล้วนะเพราะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่คนน้อยนะที่สมัยใหม่เนี่ยโอ้คอร์ดนึงมี10กว่าคน20่สคนสามสคนนี่ถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะเดือนนี้มีกี่คนนะเกือบส0งร้อไปแล้วนะแล้วก็เป็นงี้มาตลอดนะมีทั้งหมอระดับปัญญาชนมากันเยอะแยะเลยนะทุกวันเนี่ยคนมาเป็นวัดพิธีเนี่ยเยอะมากแล้วก็สาขาโรงพยาบาลเนี่ยมีรวมร้อยสาขาแล้วภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยลองพิจารณาดูว่าวิธีการเนี่ยดีไหม ก็คือจริงๆแล้วก็คือจะสรุปอีกว่าวิธีการปฏิบัติต่างๆนี่มีอยู่เยอ ะ, นะในประเทศไทยมีเป็นสิบกว่าอย่างขึ้นไปเลยพุทโธสา ม, มารคีหังอาณาปนสติเจริญสติพองยุบอะไรในเยอะแยะเลยนะคราวนี้เราสังเกตดูว่าออวิธีการไหนเนี่ยมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราจะดูอย่างไรนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องหรอก แต่ว่าสําคัญว่ามันจะตรงกับจริตของเราหรือเปล่าเท่านั้นเองนะเข้ามาตรงกับจริตนี่หมายความอย่างไรนะก็คือเราปฏิบัติแล้วเนี่ยประการแรกนะ่ยมีความสบายไหมนะจิตเรามีความสบายไหมประการที่2เนี่ยก็คือว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยกิเลสเราลดลงไปไหมความโลภความโกรธ ค, ค, ความโล น, นิลดลงไปไหมสังเกตตรงนี้นิดนึงเช่นความโกรธเนี่ยปฏิบตัติวิธีการต่างๆเนี่ยมันลดลงไปไหมหรือมันเท่าเก่านีหรือว่ามันมากขึ้นนั่นเนี่ยสำคัญมากนะต้องดูให้ทันนะ เพราะนั้นนะ่ะคำว่าตรงอจลิตก็หมายความว่าเมื่อปฏิบัติแล้วนะ่ะกิเลสในใจเราเนะี่ยลดลดไปบ้างไหมมันผ่อนคลายลงไปบ้างไหมเนี่ยนี้สําคัญมากเลยเพราะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะจะหลงทิฏเปเยอะเลยนะไม่ใช่ว่าคําว่าตรงอจริตหรือว่าเราก้าวหน้าหมายความว่าจิตเราสงบแล้วนะ่ยจิตเราสงบหรือว่าเห็นในมิตต่างๆหรือส่งจิตไปท่องเที่ยวในเสียงที่ต่างๆได้หรือว่าเกิดหูทิพตาทิพเกิดอภิ ญ, ญายาญาณต่างอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ได้ตรงกับแนวทางจริงๆรงอ่า ที่ว่าตรงอัจริตของเราแต่คำว่ า, าตรงอัจริตของเราก็คือตรงนี้นั่นแหละว่าไปบัตรแล้วสบายไหมนะกินเลยเราในลดลงไหมไหมนะถ้าหากว่าเราไปบัตรวิธีไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องวิธีนี้นนะ กิเลสเราเนี่ยลดน้อยลงไปลดเรื่อยๆนะปฏิบัติมานานแล้วเออกิเลสเราก็ลดลงไปความโลภความโกรธความหลงลดลงไปอันนี้ก็ใช้ได้นะไม่ไว่าวิธีไหนก็แล้วแต่นะแต่วิธีการลงมาเทียนนี้ก็คือเราเข้ามารู้จักจิตเราโดยตรงเลยนะเริ่มที่ฐานกายแต่จะเข้ามารู้จักจิตเราได้เห็นความโลภความโกรธความหลงในจิตเราโดยตรงนะเมื่อเราเห็นมันแล้วอย่างที่บอกแล้วนะการแค่เราเห็นเท่านั้นเนี่ยก็คือการละกิเลสแล้วนะ แค่เราเห็นแล้วเรารู้เฉยๆนะกินอะไจะลดลงไปทันทีนะเพราะนัยิ่งผู้ใดเห็นจิตของเราได้เยอะขึ้นนะเห็นจิตของเราได้เยอะเห็นกินอะไเราได้เยอะแล้วก็ไข่ควรถึงว่าโทษทุกเหล่านั้นนะเช่นความบิดฉาเนี่ยมีทุกอย่างไรนะความกดมีทุกอย่างไรความลบมีทุกอย่างไรเราใครไข้ควรนิดนึงแล้วสิ่งเหล่านั้นเมื่อปรากฏมาแล้วเนี่ยจากการไข่ควรนาไปเป็นข้อมูลอยู่เมื่อข้อมูลตัวนี้ไม่มีอยู่แล้วเนี่ย อ่าพอเราพอเราได้รับอารมณ์พวกนั้นปุ๊บเนี่ยจากอารมณ์เอ่ออารมณ์ที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วมันจะผักไปทันทีนะมันจะผลักไปเลยแต่ถ้าไม่มีข้อมูลนี่เราจะมีความสุขเออความโกรธนี่เปนดีนะราคะมันดีนะเมื่อไม่กระทบปุ๊บเนี่ยจิตมันจะไม่รับขคมเออมันจะไม่เสนอข้อมูลที่มันจะแอนตี้ในอารมณ์เหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยเข้าใจนิดนึงว่าเราต้องเห็นโทษทุกของอารมณ์ต่างๆให้ชัดเจนด้วยนะพอมันจริตมันกระทบปุ๊บเนี่ย จากการที่เมีฐานข้อมูลยอยู่แล้วเนี่ย<า>เมื่อพวกนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะไปดีเซตทันทีนะจิตมันจะไปดีเซตโดยอัตโนมัตินะมันจะกลายเป็นรู้เฉยๆแล้วมันจะทิ้งไปเลยเพราะเรารู้แล้วว่าอารมณ์ทั้งหมดที่ว่ามาแนละ้วมันเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นนะเอาละในท่าที่สุดนี้น ะ, ะพวกเรานะไม่ว่าจะอยู่7วันหรือ3วันนะนก็ขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติให้ดีนะแล้วขอทุกท่านเนี่ ย, เ, ยเกิดดวงใจธรรมในครั้งนี้นะถึงซึ่งความพ้นทุกข์น ะ, ะ, ะจริดด้วยเสียงสติสมาธิปัญญาทุกท่านเทอิน